เอาตึ um galaxies, ้งแกมวะเนี่ยเนื้อสิเนื้อสิเอาไหว้กายเอายหว้ใจเป็นเครื่องบูชาอายุวัฒนะขององค์หลวงปู่หอมเนี่ยว่าเอา การปฏิบัติปิบัตูชายเนี่ยนั่งนอนบริถานเพื่อที่จะนั่งทองเทศจนถลอยแตกมีหลวงพ่อแท่งท่องท้องเทศอขทศอ ง, องไม่ใจคุ้โทษค้โทจนแจ้งลลเอากายเรเป็นตูกเทียนท้อง อคิดใจเป็นแสงสาว่างเป็นเทียนเป็นไฟบูชาบูชาคุณเหมือนกันขับห้องเอาดอกไม้เอาพูกเทียนพุทบูชาแล้วนี่เอากายเอาใจเอาไหว้ชาไหว้าชาบูชา บูชาย่ำเลยบูชาท่านวิจาอันี้แล้วอมาายจะใส่วาจาดยอรัตน่าทกายบูชานั่งเที่ยงเี่ยนะเป็นเที่ยอ่อนว่าเป็นเที่ยถูกแดถูกอ่อนเป็นเที่ยงนเป็นเที่ยงตรง แล้วดูค่าโดยกายคิดใจให้ใจตื่นใจตื่นลูกท่องพุทโธพุทโธลูกพทโตื่นอยู่กับความตื่นเมื่อยู่กับความหลับใจรู้ใจมีสติสติเระลึกรู้ขับพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ อยูร่มหายใจเข่าหายใจออกเอาลมหายใจเป็นเป้าหมายกดจ่อทั้งรูทั้งระลึกรูทั้งรอบรูอยู่ในพุทโธอยู่ในหายใจเข่าหายใจออกไม่ได้ยวหาใจหายใจรับก็หาใจเขื่นเขื่อไปทำสัญญาอารมณ์อย่างอื่น ขันใจแนวพูก็ผูโทษพูโทไอะไล่งหายใจเข้าหายใจออกลูกเขารูออกรูเขารูเข้าูออกกันปั๊บปับปับอยู่ตลอดเป็นแจ้งนั่นจะบอกเป็นแสงสว่างของใจอันนี้แหละเป็นการบูชาด้วยปฏิปติบูชาเันตั้งใจ ตั้งใจเอาย่างนที่พวกเรามาตั้งใจมากปฏิบัติบุญชาตั้งใจมากเอาบุญแต่ว่าบุญจะเอาได้ต้องทําทําให้หนี้สักคนยินดีบุญท่านให้เกิดให้หนี้บุญเกิดขึ้นต้งเอาบุญได้ มาถ้ำบุญเกิดบนีแน่สีเอาเลยชือห้าสีเอาขาวจ่าขาวเหนียวถ้าต้องไปปักไปดำไปวนไปทําหน้าซะก่อนถึงจะได้มาดเขาวจ่าขาเหนียวนี่ชือกันแหละมาเอาบุญงานกันมาเอาบุญ เอาบุญก่อนจะได้บุญก็ต้องทำบุญให้เกิดให้มี้ด้วยการสมท่านศีลยังแล้วก็ด้วยการภาวนาด้วยการปฏิจารท่านนี่แมาทำให้บุญเกิดทำเหตุแทงบุญเป็นยังว่าท่านทำไหมศีลทำไหม ภาวนาไม่จึงจะได้บ <c palace> ุญจึงจะได้ความสุขได้ความสุขได้ความเอือินได้คิดได้ใจได้ปิติธรรมเป็นปิติความอิใจความสุขสบายความสุขใจความสุขใจความเย็นใจด้วยปิติธรรม ความเอื้ออิมในการทำบุญทำความดีของตัวของเฮาเองเฮาได้รักษาศีลได้ทำท่าได้ภาวนานั่งทำเทเรียกว่าโดยการภาวนา <c oughs> เสียงท่ำที่เป็นเท <c oughs> เป็นแสดงไปเป็นเสียงเป็นสันเนียงกรอง อ้อมใจเป็นเสียงสมเนียงกล่อมใจอยู่กับปัจจุบันเหมือนนกแมร่ร่ำเพ่งเหมือนนกแม่ร่ำรอำเพ่งกองลูกผู้ใดเคยกองลูกเหียงลูกทันควายซีมันกระล b o l ลร่ากอมันหรือร่ำเพลงกองมัน นอนสลัดรับการแม่สิกรมว่าเสียงมันไปตลองในใจนั่นเคยจะรับอันนี้เอาเสียงธรรมะหลวงปู่หลวงพอหลวงตาเป็นพูดเป็นแสดงให้ฟังใจของเขาสติเพจ่อหลอบรูกแลรื้อลูกใจจดจ่อยุคขับใจที่ยุคขับพูดลูก ายคือข้อมลูกเป็นธรรมชาติลูกรดจอยู่กับข้อมลูกเป็นวใจยอยู่กับใจตั้งใจอยู่กับใจตั้ใจลูกอยู่กับพุทโธอ่ับรมหายใจเอาหายใจออกอันนันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันบริิทธบริสิทสายแสบบริยิทธิ์อืนสุดท้ายใจเดียร่วมเข้าสู่ ความเป็นใจความเป็นนความรู้รู้อันเดียวเป็นใจร่วมร่วงสู่เอกขตตาธรรมและรรวมรู้กับอารมณ์อีนพุทธโธพุทธโธพุทธโธบ่ห้ส่งมาบ่หยส่งมหาเสียงผู้เทครัวให้คำนดรู้พุทธโธพุทธโธรู้อยู่กับใจ เสียงกัสัมผัสหูหูมีนาที่รูปเป็นงไงเนี่ยนี่นาทีกินนี่นาทีสัมผัสเสียงเป็นว่าหูเป็นไงในการสัมผัสเสียงทางอื่นสัมผัสอะไรก็ปิดหูไว้ที่ใหส่วนอื่นเอาว้ายว์ส่วนอื่นสัมผัสเับเสียงสัมผัสไหรหูเท่านั้น หูดีโอ้นี่หูดีเดี๋ยว่าบนี้นยิ้มย่ามหมูอี่แก้วหมูนี่ความรับรูกเสียงสัมผัสสม ข, ขาไปใจเป็นผู้ลูกใจลูกเขาลูกโทโทพโทยเ่าเสียงถ้ำที่สัมผัสหูเขาสุใจก็จะลูกค้าหมายหรือว่ากองใจล่วง เดียกับพุทโทพุทโธที่เทานึ่ร่วมกับพุทโธพุทโธทะเยอเข้าไปบางที่ท่านจะเจาะด้วยขั้วลูสัมผัสขับข้อถ้ำมากไปถ้ำมากที่แสดงเรื่องท่าเรื่อศีลเรื่องภาวนาเรื่องอนิจจทุกข์คำอนัตตาเรื่องไม่ค้นหาเรื่องกายเรื่อง เด้ทหนาสัญญาสังขานวินญาข้อมรู น, นี่จะสัมผัสสัมพันธ์รูความกิงรูความหมายจะเป็นการก้อมใจละเอียดลงไปจนละเอียดเขไาไ้จนนั้นว่างข้ ม, ร, ข ม, ร, ร, ขม ร, รูข้อมลำรูจากภายนออกไปเรียบแต่ข้มรูเด่นนั่นเรียว่าจิตงบว่วงลงโซก อปปนาสมาธินี่สมาธินี่ความรู้ตั้งมั่นอยู่อันเดียวถ้าเป็นความสุขได้บุญีความสุขจากการจิตเป็นสมาธิและด้วยการฟังด้วยความตั้งใจแปลว่าฟังธรรมกได้อนิสงส์หายาม ตาตั้งใจฟังฟังโดยความตั้งใจโดยความจดจ่อเหมือนกันคับพ่อจดจ่อจะฟังเรื่องล่าอันในที่ใจของเขาจดจ่อหรือจดจ่ออยู่เหมือนกันครับเศ้าหน้าพักตนกาลงหนคืนหน้าสติคล่องลูกเอาดาหน้าผู้ใดเคยดำหน้า ต่ gia, อจ be, ีกามาปั๊บจังจังจังจังจังโดยชจอยโดยเลี้ยเลี้ยเลี้ยเลียเลวฟังโดยฟังตั้งใจโวยฟัดจอยจะรับอนนสงายามการฟังธรรมหนึ่งจจะยินได้ฟังสิ่งเรื่องที่ไม่เคยยินได้ฟังเ่ยวกับเรื่องบาปเรื่องอนี้ทุกคำหนาตา นี่จะได้รู้เรื่องเขาจะเข้าใจความหมายสองสิ่งที่เคยยิ้ยินั้งแรกแต่ยังไม่เข้าใจชัดเจนเราจะเกิดความชัดเจนแจ้งแก้งให้ในจิตใจเป็นปัญญารูปแจ้งแกงในเหตและผลต่างๆสาม ย่อมท่ำบันเท่าข้องสงสัยเมว่าตัดง้องสงสัยเคยสงสัยเรื่องนั้นอย่างท่ยงไรน้อยจะเป็นบุญท่ำยังไรจะเป็นบาสมีสิ่งท่ำจะบาปหรือจะบุญนี่ข้องสงสัยเมื่อเขายิ่งจะฟังก็จะเข้าใจเนี่ยเียวว่าพัดข้องสงสัยเสียได้แต่ถ้าข้อเห็น ทำทิฏฐิคือความเห็นภายนในจิตให้ตรงตามสัจธรรมตามเหตุและผลตามความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หาจิตใจย่อมมีความคาม้องใสเบิกบายเมื่อเข้าใจในธรรมมาเข้าใจใน สิ่งที่เกิดสิ่ที่ดับสิ่งที่ใดสิ่งที่เสียไปที่ใจคองใสเอาพวกเข้าใจมันลังเลสงสัยทิตใจข้อนูเสร็จแล้วขังวังข้าวกิตใจของห้าหดหูเพราะสิ่งที่ลักสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ห้างหวงแหนเสียไปแตกไป หรือตายไปที่รักสามีที่รักหรืออนุญาตที่รักโลกหายตายตายไปคิดหมดโห่ไปว่าเ ข, ข้าใจได้สุขภาวว่าทำกามเป็นจริงถ้าเขาให่ความกี้คิดใจมีความปองใสบวยบานบ่ได้หมดโหบ่ได้เศร้ามองบ่ได้เกิดทุกข์ทั้งจิดทั้งใจ เ็นวลาเมื่อเข้าใจในธรรมะจิตใจยอมคองใสเบิกบานเะนะนั้มใจฟั่งด้วยก็มีสติก็จดจ่อแสดงรับทรามีสงอันธิการะนะโมตัสสะพะททาะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ปะขวัตโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปะขวัตโตอร m หัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุชะจัปปชะียะนะเอตั a มังตระมุตตะมันติอิมัสสะตัมมัง a รายยะสะอจโตสะกายยะสะมันติอิสะกะัง ธัมโหสุโรมโหติขอนอนุอนอโมทนา功德ครับพระผู้มี พ, พระภาคพระอันถสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้พระธรรมอันทิสวาหาตธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้จัดไว้สอบแล้วทั้งโมงพระอริยสงสาวก ผู้ประพฤดีปฏิบัติชอบทำธรคอนซอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระบุรพายาจารองหลวงอุเพชของพวกเราที่หลวงปู่ท่านเทินจนมายุมาครบแปดี่ปีการบริสุทการนอกน้อมการบริสุทธ คุณทั้งหลายดังที่กล่าวมาขอยินเป็นความสุขสัมดีแกผู้เข้าไปเจ้าทังหายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถิด กัรบูชาดีอย่างนึเงเอตมังขรมุตตั ง, งแต่ใความว่าการบูชาสิ่งที่ควรบูชาย่อมนำมาสิ่งผู้ดมมงคณอันสูงสุดนี่เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสแสดง ในมงคนสามสิบแปดตัปทายในข้างนั้นได้มีโอเทวดาทั้งหลายได้เข้า ค, าคาราบนมัสการพระผู้มีพระภาคจากนะวเชทวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแคนโกสนในเวลา หาีร่วงไปในมัชิมยาตอนเที่ยกคือเอวดาได้เข้า<ม>เป้าถวายพัคงคถามเรื่อ ง, องความเป็นมงคลเพราะมนุษย์ทั้งหลายได้สั่งสนทนากันว่าอะไรเป็นมงคลคนหนึ่งบอกว่าก า, ารที่ ได้สูดรกลริ่นริ่นรสอันกลิ่นที่หอมรสที่มีรสชาติรรอร่อยย่อมเป็นมงคลอีกพวกหนึง่งเขาบอกว่าทานได้นั่งได้นอนสุขสบายเป็นมงคล พูดกันไปห ล, หลายอย่างเพราะฉะนั้นเป็นเหตุนเทวดาละเขากราดปูนถามความเป็นมงคลเพราะองค์ได้ทรงสแสดงส8มปดร ะ, ก า, าาาาระการมีเบื้องต้นว่าอาศวนาชะพารณังตามไม่คบ่าสมาคมไม่ต้องเสกกับคนผ่าน ยน่ยอมเป็นมงคลข้อที่หนึ่งข้อที่สองพันธิตานั้นจะเสวนาการส่องเสษสซึ่งนักปราลาดปัญญ์ผู้มีปัญญาก็อย่อมนำมาซึ่งความเป็นอุดมมงคลอปจนถึงข้อที่ ในยกขึ้นว่าบูชาจากบูชาเนะี่ยนการบูชาบุคคลผู้ที่ควรบูชาย่อมเป็นมงคลบุคคลที่ควรบูชาก็ง่ายแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ประอบด้วยความบริสุทธ ขอบุขคุณทั้งสามประการได้แก่พระปัญญาคุณถ้าองค์มีพระปัญญารอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นรู้ได้เห็นได้เป็นปัญญาที่ บริสุทธิ์ไม่ไม่เป็นปัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสอาสวะจึงเรียกว่าเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์หมดจดนี่เรียกว่าัญญาคุณถ้าบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อ พระองค์ทรงมีปัญญาความแจงแจ้งความรู้ความเห็นแจงแจ้งในพระหุบัไทยรู้เหตุรู้ผ ล, ลรู้อ ร, ริยสัจธรรมทั้งสี่ก็การคือทุกข์สมุทยัยมีโรธมัก เยาว์าความเป็นจริงความเป็นจริงของพระอริยเจ้าคือผู้ที่รู้ความจริงทั้งสีอย่างนี่นั่นคือว่าเป็นความรู้ที่ไม่มีคิดไม่มีคิดไม่มีภยัยไม่มหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ เป็นเหตุที่จะให้ความทุกข์สิ้นสุดไปด้วยการรู้ในสภาวะธรรมทั้งสี่ประกาศคือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และรู้ความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์ภายใน จ, ใจิตใจนี่พระองค์เป็นผู้รู้ ด้วยความบริสุทธิ์แห่งปัญญาแล้วก็มีพระอริทยัยบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะเครื่องเศร้าหมองคือความโรคโกความหลงไม่มีนอกจาความรู้แจ้แงแทนตลอดนี่เรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณ และพระมาหากรุณาธิคุณเมื่อพระองค์ได้ทรงรู้แล้วก็ได้นำมาแจกจ่ายเรียกว่านำมาแจกจ่ายนำมาแสดงนำมาสอนพุทธบริษัททั้งหลายยางผูดด้มีหมูดีธาดีคือมีปัญญาดี ยอมเข้าใจทางกระแสทางที่ทรงแสดงและประพฤติปฏิบัติตามได้สำเร็จประโยชน์คือได้นับผลผลคือความสิ้นไปหมดไปแห่งทุกทั้งหลายทั้งปวงได้ในอาศัยว่าพระมหากรุณาธิคุณหรือพระเมตตาคุณที่บริสุทธิ์ ทางจากเมตตาของผู้ที่ยังมีะะกิเลสอาสวะจิตใจที่มีกิเลสอาสะวะคือถึงแม้เป็นเมตตาก็ยังไม่เป็นเมตตาในบริสุทธิ์ไม่เหมือนพระเมตตาคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอบรมสั่งสอนเที่ยวประกาศ สัจธรรมคือความจริงเพื่อให้ผู้มีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้ได้รู้ได้เข้าใจและทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นสุดลงได้โดยไม่ได้คิดอะไรเป็นเครื่องตอบแทนและก็ทรงเสียสละไม่เห็นแก่ความ เหนดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เห็นแก่ความทุกข์ทรมานเพราะการเสด็จดำเนินด้วยข้ะบา่าไปในให้คมน้อยใหญ่นีเรียกว่าให้เพื่อความบริสุทธิ์ไม่ได้มีความโรคความโกงความหลงอะไรแฝงอยู่ในการให้นั่นนีเรียกว่า เป็นพมหากรุณาที่คุณอันบริสุทธิ์เพราะท่านพวกเราจึงได้ยินได้ฟังกินได้ประพฤติปฏิบัติตายว า, จายใจใจของตนให้เป็นไปตามเส้นทางแธรรมะอันบริสุทธิ์แลกไปยัง โคตรยังบาปกรรมให้สงบระนับไม่ให้เกิดบาปกรรมทางกายทางวาจาทางจิตใจที่พวกเราได้มารักษาศีลปฏิบัติรักษาศีล น, นี่ได้เริญเมตตาภาวนานี่เรียกว่าเป็น เออเดเนี่ยอันนี้ย้าย้าไย้าบูชายเาบูช่าด้วยเงินบูช่าธรรมะบูช่าด้วตังครัปมันธรรมะมันหายถ้าเรา่ได้าวกไ้ฟังเ้งจังองจังป้เต็มสงบไว้ป่เขาผลปรยชด้วย ยิ่ ใ, ใจของเขาสงบสบายเย็นเลยกายฝั่งธรรมะเข้าใจในธรรมะในสภาวอย่างเช่ า, า, า, าว่าปฏิบัติบูชาเพราะว่าสแสดงถึงการบูชาที่เป็นบุคคลมงคล่าปพระษุทเจ้านี่เป็นบุคคลที่ควรบูชา ด้วยกายวาจาใจและก็พระธรรมรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีเหตุและผลอีกเยียง ว, ว่าสวาคาตธรรมคือธรรมที่ตัดไปชอบสวาคาโตพะพวตาธรรมโมที่พวกเราสวดพระธรรมนครับผู้มีพระพุทธเจ้าตรายไว้ชอบแล้วดีแล้ว สันทิปิโกเป็นธรรมที่จะพึ่งรู้เองเห็นเองเมื่อปฏิบัติอาการิโกให้ผลไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีเศ้าสายบ่ายเย็นไม่มีกัางวันกล้งคืนถ้าพึติปฏิบัติเวลารไหนให้ผลอยู่เวลานั้นจะเิญศรัทธา เชื่อมั่เจริญสติคือตั้งจิตตั้งใจให้แน่วแน่เป็นผู้มีความรู้กายรู้ใจรู้กายเวทนาจิตธรรมธรรมะเราเนีมันอยู่ในกายในใจของเราไม่ได้อยู่ในหนังสือในใบลาคคำว่าฐาน ฐานที่ตั้งแห่งความระลึกรู้เรียวสส่สติปัฏฐานสสติปัฏฐานสี่ฐานที่ตั้งของใจให้รู้ให้มีสติระลึกรู้ในสี่อาการคือกายก็เรียกว่ารูปรอบในกายของเราให้ความรู้ความระลึกรู้รู้อยู่ในกายไม่ให้ ม่ให้ส่งออกไปเป็นสัญญาออกข้างนอกไปไม่ให้ส่งไปตามตามเงาจะพูดร่างกายของเรากับเงามาให้ไปจดจ่อที่เงาให้จดจออยู่ที่ตัวคือภายในกายจะจ่อภายในกายข้างนอกข้างนอกที่เราเห็นกันกับหนัง ผลเกิดอยู่บนหนังหนังยังลองรับขลอีกรูปไม่ให้เลยจากหนังออกไปถ้ารูปเลยจากขนจากหนังออกไปก็เรียกว่าไปรูปตามเงาไปหาคนคน้นคนนี่เรื่องน้นเรื่องนี้งานนั่นงานนี้ข้างนอกไปเรื่อยนั่นเรียก ว, ว่าหลงลืม ืกายแล้วไม่มีสติระลึลู้ในกายเพราะดังรลึกลู่ในกายนี่อันหนึ่งเป็นฐานของใจเป็นฐานที่ตั้งของสติเวทนานพอเรานั่งอยู่นานๆเนี่ยมันเกิดสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้งางการจิตใจของเราไม่รวมก็เป็นหนึ่งมันก็เกิดเป็นทุกขเวทนา เป็นความเจ็บความปวดความร้อนแล้วก็จะเกิดความทุกข์ทางกายเจ็บปวดตามร่างกายแล้วก็จะไปเจ็บปวดที่ใจเป็นความกัวลกรงวายของใจเรียกว่าเป็นทุกขเวทนากายทุกขเวทนาใจถ้ามันเป็นทุกขเวทนากายทุกขเวทนาใจถ้ามันรวมลงเป็นหนึ่งก็เป็นสุขเวทนา ก็ เ, เป็นความสุขของใจที่ไม่ปูฟุง่งไม่สายแซบนี่เวทนาญี่เป็นที่ตั้งของความรู้ของความระลึกรูก้คือเวทนาหรือความใช้เฉยที่เรารู้ว่าเป็นอุเบกขาเป็นใช่เฉยไม่สุขไม่ทุกข์เป็นใช่เฉยอยู่ใจของเรา หรือที่กายก็ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์รูปว่าเป็นเฉยๆทางกายทางใจนี่เขาเป็นเวทนานที่ท่านเรียว่าเวทนาสานี่ให้มีสติรูปสุขเกิดขึ้นก่อนละรูปทุกข์เกิดขึ้นก่อนละรูปเฉยๆเกิดขึ้นก่อนละรู้รูปนี่เรียกว่ารูปอยู่ในเวทนาที่เกิดขึ้น ในรูปความจริงแล้วมันก็ไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนมีกทั้นาก็สักเพียงเป็นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่ใส่เราไม่ใช่ของของเราไมใส่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่ามีความรู้ความจริงแล้วปล่อยวางไม่สัมพยุตกับความสุขและความทุกข์มันก็จะเป็น ธรรมชาติรูปของใจอยู่เฉยๆเป็นกลางๆในเป็นฐานที่ตั้งของสติที่ตั้งของความรู้หรือว่าเวทนาจิตธรรมชาติจิตใจของเรามันจะไม่อยู่ปกติมันจะนึกคิดนึกคิดสิ่งโน้นสิ่งนี้ถ้าเียว่าเป็นสังขารนึกคิดแล้วก็ปุ่งแทงต่อเติมไป มันจะเป็นอยู่อย่างไรทนี้ท่านต้องให้มีสติแะลึรกรู้ในควา ม, มนความคิดนคิดอะไรนคิดเรื่องที่เป็นบุญเป็นความดีมันก็เรียกว่ากุญญาที่สังขารมันนม่คิดในเรื่องบาสนม่นคิดในเรื่องความโกรธความเกลียดความอิจฉา ทิศยะพยาบาทธาตาจองเวนก็เรียกว่ามันนึกคิดในอกุศลในความที่ไม่ดีอันเรียกว่าอกุญญ า, าที่สังขารนี่ให้นิสติรู้ทันเข้าใจว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่นึกคิดจิดตตามนึกคิดนึกสิ่งนี้ระดับไปแล้วก็ไปนึกสิ่งนั่น ดับไปดูอย่างงั้นเกิดเกิดดับดับเหมือนกันกับพยับแดกที่เกิดขึ้นยึบยับยิบยหรืออียงเหมือนกันกับฟองน้ําตอมน้ำที่ฝนตกลงกระทบกับน้าเกิดเป็นตอมขึ้นแตกไปเกิดขึ้นแตกไปนี่เรียกว่าเข้าใจในจิตตังคืออาการแห่งความนึกคิดด้วยสติ และปัญญามันก็จะไม่ไปหลงยึดว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างงั่นอย่างนี้จะไม่เป็นการเพิ่มเติมความทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจด้วยความฟุ้งร้านำํำพานของใจอีฐานที่สามคือรูปในจิตของตนฐานที่สี่เรียกว่าธรรมกายเิธนาจิตธรรม ทำคืออารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเองอยู่ดี่นั่งอำนวยลูกพูโทโธพุโทโธเยอะแยมไปในเรื่องความเสียใจหรือดีใจหรือว่าไปนึกคิดนึถึงลูกถึงล้านถึงญาติพี่น้องอะไรไปแล้วแต่อันนั้นเรียกว่าอารมณ์เกิดขึ้นกับใจเอง อีกอย่างนึงอารมณ์เกิดขึ้นเขาหูาได้ยินเนี่หูได้ยินแล้วปรุงแต่เป็นอารมณ์หรือตามองเห็นสัมผัสปรุงแต่งเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนี่เรียกว่าธรรมรือธรรมมาลมให้มีสติรู้เท่าทันธรร ม, มารมณ์นี่เรียกว่า เป็นที่ตั้งแห่งความรู้คือใจเป็นที่ตั้งแห่งความะระลึกคือสติรู้อยู่ในสีอาการเมื่อสติรู้เท่าทันอยู่กับสีอาการนี่ต่อเนื่องกันสมาธิคือความตั้งมั่นของใจคือตั้งมั่นในการรู้ กายรูปนามก็จะเกิดความแจงแจ้งเกิความแจงแจ้งในใจของเราเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นดวงปัญญารูปอ น, นิจจังทุกขังนัสตานั่ความเป็นจิตจิตทุกในใจทุกเพราะความใสแส่ทุกขพราะความอยาก ทุกข์เพราะความโศมนึกคิดอันนู้นอันนี้ก็จะสงบลงไปได้เหลือแต่ความเป็นหนึ่งเหลือแต่ความรู้อยู่ปัจจุบันสะโคจใจใจก็สบายถ้ามันไปนึกคิดไปใ ส, ส่แสบไปปู่งอันนู้นอันนี้ด้วยความหลงด้วยความไม่มีสติไม่มีเหตุไม่มีผลคิดไปแรกก็เป็นทุกข์ วิตกวิจารไปเป็นทุกข์เป็นความเศร้าหมองจิตใจเป็นความเล่าร้อนขวนญขาวายนี่ทันเนียวว่าใจเป็นทุกข์เพราะความไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเพราะดันถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ ตรัสไปชอบ ก, า ก, าก็ให้ผลไม่มีการไม่มีเวลาหรืออาการิโกให้ผลไม่มีการไม่มีเวลาเอธิป ส, สิโกโอปัญญิโกเป็นธรรมที่ควรที่จะประพฤติปฏิบัติน้อมเข้ามาสู่ใจรือน้อมใจของเราให้มาแล้วลึกมารู ในสภาวะทั้งหลายในเรื่องของกายเวทนายกิจธรรมดังที่กล่าวมาอันนี้อยู่ในตัวของเราทุกท่านทุกคนอยู่ในหนังสือใหญ่อยู่ในหนังสือใหญ่อยู่ในพระไทพี่ดกใหญ่คือกายกับใจของเราไม่ได้อยู่ในตู้ในหีบในกระดาษในใบลาน นี่คือตัวธรรมแท้ตั้งแท้อยู่กายกับใจของเราเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจในธรรมะเพื่อให้รู้ธรรมเป็นธรรมธรรมเป็นจริงให้มีสติคือธรรมที่เรียกว่าระ ล, ล, ลึกรู้เกิดขึ้นในใจของเราเองาำปฏิบัติสมาธิ คว่าความตั้งมั่นของใจความสงบของใจสงบจากสัญญาอารมณ์ทั้งหลายมันจะเป็นความแน่วแน่ของใจในใจของเราจะสงบสบายคําว่าปัญญาธรรมก็คือความรู้เกิดขึ้นในใจความรู้ความรอดรู้ความแก่แจ้งเป็นแสงสว่าง แห่งปัญญาไม่มีแสงสว่างอื่นใดจะสู้ได้หรือเป่าเสมอเหมือนท่านทีว่านัทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างของดวงไฟของพราคิดข้าใจมันก็เป็นเพียงแสงส่องไปในสถานที่ไม่มีอะไรปิดบังตรงไหนมี สิ่งเรือปิดบังมันก็ส่องเข้าไปไม่ได้แต่แสงปัญญาแสงสว่างของใจสามารถที่จะรู้รอบในกายแม้จะลึกเข้าไปภายในจากหนังเข้าไปในเนื้อในเช็ดเป็นในกระดูกอะไรท่านล่างแต่ขึ้นเท้าขึ้นมาทาบนแต่ปลายผมลงไป สามารถจะรู้ทำเห็นทำในกายเ ร, รียว่ารูปประธรรมเมื่อมันเห็นความจริงของกายตามเป็นจริงเราก็จะไม่ได้ทุกข์เพราะความหลงตัวตายถ้าไม่รู้ตามเดิมจริงทุกข์เพราะลงในกายเรื่องกายเป็นเราเป็นของของเราเหมือนกับหวงแหนมันแกล้มมันเท่าก็ไม่อยากให้แกลไม่อยากให้เท่า เยอะเก็บป่วยขึ้นมาไม่อยากให้เก็บไม่อยากให้ป่วยก็เป็นทุกข์เพราะความอยากไม่ให้เป็นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาหากเป็นไมตามสภาพความแปลกวนของเขาเองถ้าเราไม่รู้ธรรมะตามเป็นจริงความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอกับจิตใจเพรถ้าหัวใจมีทุกข์แล้วมันอยู่ไหนก็เป็นทุกข์ แน่จะมีทรัพย์สมบัติเข้าเงินทองอะไรต่ออะไรมีพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ใจไหมมีธรรมะไม่เข้าใจไหนธรรมะตามเป็นจริงคือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็หาความสุขไม่ได้ไม่ใช่ว่า <c oughs> <c oughs> วัตถุสมบัติจะให้ความสุข พี่ใจเพานถ้าหลงนะไเป็นทุกข์ทุกข์เพราะสมบัติสิ่งที่เราต้องการเราปรารถนากันเอของเงินทองแฉล้แนแสนสับปรารถนากันยาวได้ใครก็ยังได้อยากมีตามสมมติเงินทองเข้าของอยากไปต้องรีดร่นแสล้นหาขั้นเสล้หาได้มาเนี่มันก็ยำคุ้มไม่ใช่ว่าทุกข์ทั้งหลายหมด ไปเดี๋ยวหาได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านแสนล้านก็เลยความทุกข์ไม่ได้หมดไปเพราะใจไม่มีธรรมะก็ยังทุกข์อ ย, อ, อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นดูไว้สิ่งที่จะทำให้มีความสุขเกิดความสุขอันแท้จริงคือธรรมะเท่านั้นอาหาร วัตถุทางๆาเป็นเครื่องบำรุงบำเรอรูปกายร่างกายเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นท่าเหมือนกับท่าก็ต้องบำรุงท่าส่วนจิตใจเนี่ยจะต้องบำรุงด้วยธรรมพอใจเป็นนามธรรมาก็ต้องรู้ด้วยความเป็นนามธรรมาคือปัญญาเข้าใจใน อันนี้จำทุขังอนัตตาเข้าใจในการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่คือรูปเรื่องธรรมะที่มีอยู่กับกายกับใจทั้งหมดเราไม่รู้เรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็เรื่องตายไม่รู้เพราะฉะ น, นั้นเมื่อไม่รู้ก็จึงเป็นทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านี้ที่ซึ่งมันมีอยู่พระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะสอน เพื่อให้มารูความเป็นจริงกับสิ่งที่เรารู้อยู่สัมผัสอยู่นี่นเมื่อผู้มาปฏิบัติตามธรรมะหรือมาเจริญเมตตาภาวนาตั้งสติทำสติให้มีความเจริญต่อเนื่องกัน โคทงโค ส, ต, สคโติสังฆาโตสติสติความระลึลกรูปเป็นเป็นธรรมะที่มีอุปการะต่อธรรมที่จะได้เกิดความสุขความเจริญในธรรมทางจิตใจของเรามีท่านักทาหาว่าไม่ฝึก สติไม่มีความตั้งใจไม่มีความรู้ตัวรู้กายรู้ใจของเรามีแต่ความเผ ล, ลอเลยสงสายาปตามความนึกความคิดความอยากัเนเรียกว่าหลงหลงธรรมไม่รู้ธรรมหรือ ส, สภาวะแห่งความเป็นจริงเมื่อเรามาตั้งสติรู้เข้ามามก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ไม่ลืมกายลืมใจของตัวเองแล้วสติต่อเนื่องการสมาธิคือความสงบใจความตั้งมั่นของใจความเป็นอิสระจากความโลภโกรหลต่างๆเป็นกำลังแห่งใจแน่วแน่เฉพาะตัวท่านทเรียก ว, ว่า ใจเป็นสมาธิหรือมีสมาธิทรรมปัญญาการลู่รอบพิมพ์กรณาแยกแยกในรูปในกายเนี่เข้าใจตามความเป็นจริงนั่นแหละแจ้งแจ้งเมื่อปัญญาเป็นความแจ้งแจ้งเกิดขึ้นทุกทั้งหลายซึ่งเป็นความมืดเทียมเหมือนกับความมืดก็ออสิ้นสุดไป เราเล่าถนว่าปัญญาเป็นแสงสว่างเป็นธรรมที่คู่ควรกับใจเป็นธรรมที่จำเป็นกับจิตใจเพราะเราจะแก้ทุกเดี๋ยวนี้เกิดมามีกายปับใจทุกท่านทุกคนมีกายขับใจเมื่อมีกายปับใจนี่ก็ต้อง นี่นลนหมุนไประหว่างกายกับใจเพรามหมุนไปเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกฎธรรมชาติคือความแก่ความเจ็บและความตายอันนั้นเป็นทุกข์เพราะกฎธรรมชาติคืออัิจรางทุกขังความทนอยู่เป็นปกติไม่ได้อนาตตาไม่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นใครตามความอยากให้เป็นถ้าอยู่ของไข่ นี่เดือดทุกไปในกฎธรรมชาติแล้วก็ยังทุกไปด้วยความหลงในสังขารในคิดต่อสังขารความนคิดปรุงแต่งทุกไปเพราะความอยากที่เกิดขึ้นในจิตใจอยากนวดอยากนี่ความอยากเนี่ยเกิดขึ้นเป็นทุกข์เหมือนเราอยากข้าวอยากน้ําถ้าเกิดความอยากข้อมีมันเป็นทุกข์ไม่สบาย ต้องยี่ลรนหามาดูมากินเข้าไปเขาบรรเทาความหิวความอยากเขาพอมีความสุขสบายไปบ้างที่เรื่องความหิวห้อยของจิตตะสังขารนสัญญาสังขารที่มันปรุงมันแต่งไปนี่ชิดนี่ปรุงนี่ปรุงนี่ฟุ้งนี่โค่นนี่เปียกนี่ทุก ความโกรธความเกลียดความโลภอาการนั้นความโลภก็คือความอยากมากๆอยากไม่มีประมาอยากไม่มีที่สิ้นสุดอยากอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่มันเกิดความอยากขึ้นในจิตใจนั่นเป็นทุกข์ต่อเมื่อได้มารู้เท่าอาการทั้งหลายทั้งปวงความอยากสิ้นสุดปิดเป็นปกติเห็นไหม เป็นปกติจิตจิเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่เฉพาะจิตและรูปความเป็นจริงด้วยปัญญาเรียกว่าทําลายอาสวะทําลายความหลงจิตเป็นสุขเพราะความหลงไม่มีเป็นความสุขความเบื่บานเป็นผู้รู้ผู้ตื่ผู้เบื่บานนี่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นนิยานิกระทำที่จะนำให้ข้อมใจความทุกขโดยสี่นเชิงต้องปฏิบัติตามศีนสมาธิปัญญาห ร, รือว่าเจริญสีนสมาธิปัญญาทําใหม้มากเจริญใหม้มากโคตรสังโฆสติสังฆาโตธรรมนังวิทยตัตถะอิริยปิติปัสสิกโฆสั ง, ส ง, า ง, งสฆงาจตถะเปร สมาทุเตขโคสังฆาสเตเตสปัศสินาุณีนัสมดาคาตาภาวิตาพระโริกตาทำให้มากจเจริญให้มากคาว่าพาวิตาพระโริกตาเป็นเล็กที่รีดวนๆทำให้ต่อเนื่องกันคือทำสตินั่นแหละสร้างสติกำหนดสติตั้งรูระลึกรูรร การเคลื่อนไหวไปมาของกายกับการเคลื่อนไหวไปมาของจิตใจที่มันนึกคิดปรุงแต่ังน่กข่าวมาในเราสติปัญสี่เนี่ยเมื่อจเจริญสติต่อเนื่องก็เป็นไปเพื่อความเพียรจะเป็นผู้มีความเพียรไม่ขาดวักขาดตอนก็จะมีความสอดสองมีปัญญาธรรมวิทยา เกิดพิธีความยินใจความเาปิดยในใจเรียกว่าพิธีธรรมก็ามีความสุขวตัตถนะุปัสทานคือความเล่าร้อนก็จะสิ้นสุดไปนะเรียกว่าใจสงบ่านเแ็นว่าปัจสทานคือความสงบใจหรือสงบแทนทงธรรมและก็จะมีอุเบกขาความเป็นคลางของใจที่มีความ ตั้งมั่นของใจจะอิวสมาธิมีไปจากการภาวนาการปฏิบัติให้มีสติต่ตอเนื่องกันในเมื่อเรามีความนอบนอ้อมบูชาในพระธรรมก็จะนำประโยชน์นำมงคลให้เกิดึ้นศษใจญ่พระอริยรสงสาวูกับพุดปีปฏิบัติชอบ การูชาท่านก็จะได้แนะนําคำสอนสิ่งใดที่ท่านรู้ความจริงปัจจุบัติเข้าใจตามความเป็นจริงท่านก็จะได้แนะนําสอนพวกเราให้รู้ให้เข้าใจให้ปฏิบัติถูกต้องได้นี่ยังความสุขยังบาปให้สิ้นสุขไปยังมุนคือความมีความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นด้วยการ บูชาพระภริยสงสาวกครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ความเข้าใจนี่ก็เป็นผู้ที่ควรบูชาวุฒิดมารดาผูา้เลี้ยงดูผู้ปกคให้เรามีความจเจริญเติบโตมีชีวิตเจริญขึ้นมาได้การทำ ุณงามความดีจากบุญคุ้ศนหรือประพฤติตนให้ชอบถูกต้องทางหนทางแห่งความเป็นจริงที่จะให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทางใจนี่ก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาเพราะฉะนั้นในวันนี้ ได้นำธรรมามาสื่จสแจงแสดงได้ ไ, ได้ยกบทมงคลว่าบูชาจักรบูชาดีงามการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเว mm ีย hmm. รพุทธะจัพระธรรมพรอสงบิดามันดาครูอุปชาอาจารย์ เมื่อผู้ใดไม่ลืมคุณเป็นผู้ท่านอยู่ในกัทเวทิขาคุณลูปคุณเป็นลูกคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระมาหากรุณาธิคุณได้พกรสปฏิบัติหนทางแห่งความดีความชอบเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อพิสูปฏิบัติให้เกิดของรู้ความเห็นตามเป็นจรินธรรมไดเรียนนำมาสอนที่พวกเราได้รู้บาปบุญคุณโทษรู้ดีรู้ชัว่วขอเพะพระพุทธองค์เรู้คุณของท่านคุณของพระธรรมดังที่กล่าวแล้วว่าเส้นทางแห่งการพิสูจน์ปฏิบัติ คือสีสมาธิและปัญญาถ้าหาว่าเราปฏิบัติตามนั่นจะเดรินตามนั่นความสุขก็จะเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะสิ้นสุดไปได้นีคุณของพระธรรมพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านก็ือฤิดีปฏิบัติชอบแล้วท่านมาอบรมแนะนำสั่งสอนหรือว่าเป็นนาบุญให้พวกเราได้ทำบุญธรรม ทานให้เกิดความสุขให้เกิดสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติท่านก็เป็นผู้มีคุณอิรามารดาผู้เรียนรู้ผู้ปกคองอาหาว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่พวกเราก็ไม่มีไม่ได้เกิดขึ้นมาและมันมีชีวิตนี่กอนเป็นดูอย่างนี้ท่านก็เป็นผู้มีคุณนี่ได้อธิบายถึงเรื่องคุณ ดังก่าวมาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรมีรสรรมาธิปัญญาตั้งใจประพฤติปฏิบัติสร้างสวรรค์ด้วยการให้ทานด้วยการเจริญเมตตาจิตด้วยการงดเวน้นสิ่งที่เป็นบา ศีลปฏิปัตตามความเขตแห่งศีลแห่งวินัยที่รัวกันความชั่วรัวกันบาปทั้งหลายที่พุทธเจ้าบอกไว้ปานาอธินากาเมมุสาสลานั่นเป็นบอกเกิดแห่งบาปท่านให้เว่นให้เล่นปาณาทิบาสมาให้ข้าให้ทำลายสีวิตให้เกิดจกการถือเอาสิ่งของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมย เล่นจากการกระพือผิดนิสัยใจผิดหลู่ผิดเมียผิดสามีกัน ร, รยาบุตรีบุบต า, าที่เขาห่วงแหานเล่นกเว่นจากการกล่าวโอ้โหลกลวงคำพังเล่นจากการบืนกินเครื่อนดองของเมาก็เรียกเป็นผู้เว่นจากบาบุลเล่นจับบาบาที่เขาไม่มีเพราะเราไม่ได้ทาบา ถ้าเราทำบาปาบาปน้เกิดขึ้นมีเท่านั้นการกระทำบำเพ็ญต่อจากนั้นเราก็บำเพ็ญบุญกุศลคือสร้างบุญกุศลเรืยกว่าภาวนาประธานในความเพียรประธานหรือความเพียรสี่อย่างที่ท่านบอกไว้าภาวนารประธาน คือการเกี่ยนยายามข้าไปยามทำลายเรียกว่หาระหารก็คือทำลายยังมดเว้นจากบาสนั่นเองอันเดียวก า, านทหานเพี่ยงงดเว้นจากบาปภาวนาประทานเพียงทำความดีเกียรไหรวนนรนนพระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาทำบุญทำทานรักษาศีล พรติกรรมทางสติกำหนดพุดโทโธพุโทโธ ร, รู้ใจในปัจจุบันปัจจุบันจจบ น, นี่เรียกว่าภาวนาประธานคือเพียรทำความดีให้เกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษนาประธานเมื่อความดีที่มีแล้วทำให้เกิดให้มีขึ้นก็เพียรรักษาหรปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะ สิ้นสุดอาสวะกิเลสที่มีในจิตใจของเราเนี่ยจะเป็นการประพฤตปฏิบัติสร้างสวรรค์สร้างบุญกุศลความสุขในสั้นสวรรค์ความสุขในความสิ้นความโลภโกรหลกจะต้งี่ความสุิในพระนิวายเราเป็นผู้ทําเองปฏิบัติเองทั้งนั้นนะมันมีใครทําให้ ผู้ได้าเป็นงผู้สอนการกระทําเป็นเรื่องเฉพาะของเราเพราะจะได้ปลูกศรัทธาความเชื่อมัน่นในการกระทําบําเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่เัียแต่ที่ว่าให้มีศรัทธาต้งว่าศรัทธาหรือความเชื่อมัน่นเมื่อเชื่อมั่นลงไปแลกอนกระทําไปเรื่อยให้ทานไปนเรื่อย รักษาศีลไปเรื่อยๆเจริญภาวนาไปเรื่อยๆจนความจเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเหตุและผลจากกา ร, ป, รปฏิบัติของเราต่อจากนั้นไปก็จะเราก็จะได้บุญเต็มเต็มในจิตในใจนี่แหละได้ความดีเต็มในจิตในใจ บุญเต็มอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความดีความเจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อโดยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีในวันนี้เทา ม, มาได้นำธรรมะมาสีสแก่แสดงให้สัตยาจโจทั้งหลายได้ยินได้ฟังเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่ การสแสดงธรรมก็ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นและผู้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดสติปัญญาเกิดความเข้าใจทําให้จิตใจสงบระนับใจค ว, ความโกรความโกรธความหลงจากความเห็นอกเห็นใจก็มีความสุขเกิดขึ้นเ น, นี่ยด้วยอานิสงส์แห่งการสแสดงธรรมะและอานิสงส์แห่งการ สัจจะรับฟังด้วยความจดจ่อด้วยความตั้งอกตั้งใจของสถาญาตโยมทัยย้ ง, ทงหลายแล้ก็ด้วยอํานาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้ากระทาโดยความีิสงสาวกอํานาจแห่งคุณกุศลที่เราได้มากระทำเอาเป็นบูชาพรบคุณขององค์รวมอ่เพสของพวกเราขอ้จงรวมเป็นพลัง อันยิ่งใหญ่แล้วสนับส น, น, น, นุนดลบรรดาหรือคุ้มครองรักษากายใจยของสตาหยาดโยกุทธบริษัทธทัธ้งหลายขอจงมีแต่ความสุขกายสบายใจยแมน้นว่าปายถนาสิ่งใดเป็นไปดชอบขอสินน่งใดจงสำเร็จตามความหมายปายธนาด้วยจตุรกิทธภรณ์ชัย ทั้งสี่ประการคืออายุวันนั้สุขะพระปฏิภาณฐานสาันสมบัยในปัจนาสี่ใดขอสิ่งนั้นจงเป็นคนสาเร็จจงเป็นคนสำเร็จในที่พึสถานในการจุดเมื่อจงทุกท่านทุกคนเธอ